แอปเปิก็ดี ม, มุ้งมะขามที่ในตลาดเนี่ยแต่ถ้าเราไปถามคนขายเขาจะบอกราคา ท, ทันทีถามกี่บาทเนี่ยนะเขาก็บอกห้าบาทสิบบาทจริงๆแล้วต้นมะขามหรือต้อนมงไม่เคยออกลูกมาเพื่อขายหรือจำหน่ายมันออกมาให้ตามกระบวนการธรรมชาติครับเพราะาธรรมชาติได้ตรัรมเราก็ว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนอย่างนั้นนะครับ จะเตรียมทุกเรื่องไว้ให้แล้วก็เพื่อให้สิ่งทั้งหลายได้อิงอิงกัอาศัยซึ่งกันและกันมนุษย์เกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก็ให้ราคาสิ่งต่างๆราคานั้นคือคํรมราคะมนุษย์เริ่มมีราคะต่อสิ่งต่างๆแล้วก็เลยคิดราคากันใหญ่เลย คิดราคานั้นหมายถึงว่าคิดด้วยราคา ส, สมสมติเราไปถามว่าแม่ค้าปลานะครับว่าปลาตัวนี้นเท่าไหร่ล่ะคิดราคาเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าแม่ค้าก็คิดค่าของราคาที่ที่เราต้องการเนี่ยเราอยากมากเท่าไหร่ก็แพงเท่านั้นมนุษย์กระหายอะไรมากเท่าไหร่สิ่งนั้นก็จะแพงขึ้นครับ ฉะนันภาษาเขาจึงพูดว่าคิดราคาหรือมีราคาหรือมีค่าคำว่าราคาแต่ว่าราคา mm hmm. ที่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่คิดราคาคือไม่ไม่ไม่มีคว า, ามต้องการมันริงนั้นก็กลับเป็นธรรมชาติเดิมซึ่งไม่มีค่าไม่มีราคาเหมือนน้ำเนี่ยที่จริงไม่มีค่าอะไรเลยนะครับ แต่ว่าเราต้องไปจ่ายค่าน้ำทุกเดือนเราต้องซื้อน้ำจากการประปาด้วยอะไรนี่ครับที่นี่กรอบบททวนต้นนึงครับว่าโลกนี้ใช้เวลาบ่ม แร่ธาตุต่างๆครับจนกระทั่งบรรลุถึงความเป็นธาตุนั้นๆอย่างสมบูรณ์เช่นบัดนี้มีธาตุที่สมบูรณ์อยู่ในตัวมันนอย่างชนิดที่ไม่วันไม่มีวันที่เปลี่ยนโครงสร้างอันนี้ได้คือธาตุน้ำนํำเป็นเป็นมูลธาตุหลักและเป็นองค์ประกอบที่สลักสําคัญที่สุด ทางด้านกายภาพดินน้ำไฟสิ่งอันนี้เราถ้าจะเรียกได้มันเป็นอมตะไฟนี่ครับเป็นอมตะสมมติเราจุดไฟขึ้นสักกองหนึ่งที่นี่ที่ที่ทวัดนี้แล้วเราก็ดับมันถ้าคนไม่รู้ความจริงข้อนี้ก็พูดว่าไฟดับแล้วไฟหายไปแล้ว ที่จริงไฟหายไปไม่ได้ครับเพียงแต่เปิวอันนั้นเนี่ยมันหมดเหตุหมดปัดจจัยลงแต่แล้วเราก็จุดขึ้นได้ใหม่ยังไม่รู้จักจบสิ้นเราว่าไฟนี่ซ่อนอยู่ทุตแห่งทุกคนนะครับไฟที่จุดขึ้นที่ที่แคนาดาหรือที่ที่ประเทศไทยเชื่อว่าไฟเท่ากันไฟเป็นอันเดียวนี่ทั่วโลกเนี่ย ไม่เพียงแต่ที่นี่เนทะ่านั้นที่บรรยากาศอืน่นที่ดาวดวงอืน่นที่มีบรรยากาศเหมาะก็จะปรากฏไฟขึ้นมาไฟนั้นเราพูดว่าไฟกเพราะเราสังเกตได้จากเปลวของมันแต่ว่าตัวแท้ตัวจริงของธาตุไฟก็คือความรู้สึกที่ร้อนเห็นหมครัเช่นความอบอุ่นในร่างกายนะี่เรียกว่าธาตุไฟ น้ำที่เราเห็นด้วยตาคืออะไรบางอย่างที่พลิ้วพิวเลื่อนเลื่อนไหลๆนั่นแหละแต่ถ้าในส่วนประมัติถากของมันคือ ป, ประมัติของจริงแล้วก็คือความรู้สึกที่เ อ, อิบอาบเสื้อบซาบซึ่งเราสัมผัสได้ในภายในนีครับลมก็ซึ่งสิ่งที่พัดผันไปฮะเราสังเกตได้ใบไม้ไหวนี่เราคเานแล้วต้องมีลมพัดแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้จริงๆคร คือสภาพที่เลื่อนลอยเลื่อนไหลนี่สภาพเบาสภาพเคลื่อนไหวนี่เองที่เรียกวลมธาตุลมดินก็คือสภาพหนักๆที่เรารู้สึกนี่ส่วนดินข้างนอกหรืออะไรที่จับต้องได้นี้อันนี้เราสังเกตจากตาดูด้วยตานั้นได้ธาตุทั้งสี่นี้นะครับกินน้ํำไยลง จริงๆแล้วต้องสัมผัสได้ทางใจถ้าเราคิดขึ้นนี่เป็นวิธีท่ทางทางวิทยาศาสตร์แต่เรื่องทางศาสนาเราอาจจะคิดได้แต่เรายังไม่รู้สึกมันเมื่อเราจเจริญโทนามากๆเราจะเข้าถึงกระบวนการธาตุล้วรด้วยวิธีสัมผัสเราจะค้นพบความเบาบ้างความหนักบ้างซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการธาตุ มูลธาตุต่างๆเมเรารู้คำหนักในสภาพรู้นี่คือวิญญาณละธาตุดังนั้นเรากำลังศึกษาชีวิตอยู่อย่างถึงแก่นนะฮะเมื่อเรากำลังจะริญภาวนานในขณะีนักวิยาศาสตร์ศึกษาโดยวิธีตั้งข้อคิดคิดนึกคิดนึกซึ่งซึ่งห่างไกลนะฮะแต่ก็ได้ภาพพดรวมๆคร่าวๆเท่ า, านั้นเอง แต่การศึกษาทางทางภาวนาเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับการศึกษาทางภาวนานี่มันเหมือนกับการที่เรียกว่าบทให้หลากไปเลยนะครคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าทรงอุปมาเช่นนี้นะว่าคนคนหนึ่งไปตัดไม้มาเป็นท่อนด้วยขวานต่อมาก็เจียกให้เป็นให้เป็นซี่แล้วก็หัน่น ัแล้วก็จุดไฟเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าเอาขี้เถ้าไปโรยลงแม่น้ำครับแล้วจากท่อนไมใ้ใหญ่ๆจนกระังกลายเป็นขี้เถ้าแล้วก็หายหมดเกลี้ยงเลยแหลกละเอียดไปหมดถ้าเราศึกษาทางด้านทฤษฎีนี่มันไม่แหลกครับมันจะงุนง ง, งงอย่างนั้นแต่เราปฏิบัติเข้าไปเนี่ย ความรู้ต่างๆที่รับทราบมาจะแหลกละเอียดหมดเปรียบเหมือนคนที่มีน้ำย่อยที่ดีหรือเมื่อเรากินอาหารเข้าไปกระเพาะลำไส้เราย่อยอาหารได้ดีมันก็ย่อยอย่างชนิดที่ที่ที่ดีที่ดีมากๆการปฏิบัตินั้นเปรียบได้กับสิ่งนั้นทีนี้ที่ผมว่าโลกเราใช้เวลาบ่ม คนพบแร่ธาตนะครับจนกทั้งยกตัวอย่างอันหนึ่งคือเพชรคือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติว่ามีค่าแล้วก็นายช่างของคนพบวิธีที่ฉลาดที่จะเจรไ น, นให้ดูว่าวาวาสมค่าของมันจริงจริงการที่เพชรมีค่ามีราคาเป็นเรื่องสมมุตินะครับ ริ่งเพชรก็เหมือนก้อนหินก้อดินเนี่ยอย่างนิทานเรื่องไก่กับพลอยเคยอ่านานะครับในสารนิสสกเวลาเขาสรุปเสรุปไปทางว่าไก่ไม่รู้ค่าแต่ให้ผมสรุปผมสรุปไปีกทางหนึ่งผมสรุปมันจะไปรู้ค่าอะไรก็เหมือนกันเข้าสุขกับเพชรหรือดินก็เหมือนการไปสนใจอะไรมันอย่างนี้สรุปไป อ, อีกแง่มุมหนึ่ง ทีนี้เรามาดูมนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้บ่มขึ้นมาเหมือนกันบ่มคัดเฟ้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ที่มีมีโครงสร้างกระดูกสลักกระดูกสลังงองุุมนะครับที่เราเรียกมนุษย์ยุคต้นต้นพวกเอฟมนุษย์คล้ายลิงค ไม่ใช่มนุษย์นี่คือลิงนมักจะมีคนเข้าใจผิดกันเลยมนุษย์นี่สืบบรรพบุพรุษมาจากลิงชนิดหนึ่งอ น, นี้ไม่ถูกต้องนะครับคือบรรพบุรุษของมนุษย์ก็คือมนุษย์นี่แหละแต่ยังเป็นมนุษย์ที่ละไม่ลิงสวดสงหลังงอธรรมชาติค่อยๆ ค, คัดเฟน้นจนกระทั่งในสุดก็มาบรรลุถึงสัดส่วนะสวดรงที่ ที่สมบูรณ์แล้วครับที่เราเป็นในทุกวันนี้นั้นเราโชคดีมากมากครับแล้วในในในส่วนในสุด <c oughs> ส่วนร่างกายนั้นได้สัดส่วนที่สมบูรณ์นะครับท่านเรียกว่ามีปัญจสาขาคือห้างแง่งตรงกลางมือกลางเท้ามือคู่เท้าคู่กรบสีแง่งแลวหัวอกีกอันท่าเรียกห้างแง่ง ปัญจาสาขาร่างกายสัดส่วนนั้นสมบูรณ์มากๆครับมนุษย์เราสัดส่วนองค์ประกอบของร่างกายสามารถยืนเดินนอนนั่งได้อย่างสะดวกผิดกับสัตว์เดรัจฉานครับช้างนั่งนี่ลาบากมากได้แต่ยืนไดยืนนิ่งไม่ได้ต้องโยกตัวกับชา้างผมเคยไปเฝ้าดูชา้างมันโยกอย่างนี้ และจะนอนก็นอนยากมากครับนอนแล้วลุกลําบากดังนั้นสัตว์ต่างๆนั้นมีอิริยาบทที่จํากัดมากๆทีนี้มนุษย์เนี่ยมันมีอิริยบทสี่ที่กลมคลืนมากครับเราสามารถนั่งยืนเดินอย่างผู้ฝรั่งนี่นั่งนีนก็นั่งลําบากครัแม้เขาจะเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ว่าวัตเตอร์ทำเขากลับขัดแย้งกับธรรมชาติที่ ของสั์ส่วนของมนุษย์นี่โดยภายนอกกับโดยภายในนั้นยังมีสิ่งที่สำคัญเปรียบประดษจะเพชรที่ล้ำค่านะครับ <c oughs> คือจิตใจจิตสำนึกของมนุษย์มันมีอะไรที่สูงส่งมากครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักจจรัน <c oughs> ถ้าไม่รู้จักเจียงไนมันก็กลายเป็นสิ่งที่คุนๆอย่างนี้นเหมือนแต่ข้างเนื้อในของมันก็ใสสะอาดแต่ว่าเนื่องจากผิวผิวหน้าของจิตเนี่ยมันมันติดยึดในสมมุติติดในลิ้วรอยของสมมุติเหมือนคําว่าก้อนกรวดก้อนหินก้อนหนึ่งในลําธารนะครับมันกลิ้งมาในลําธารนานดังนั้นสุดทรงข้างนอกมันก็ถูกขูดขีด ถูถ่ายไปตามกับก้อนหินอื่นอาจจะเป็นแผลหรือกลมก็ได้แต่ว่ามันเป็นผิวเปลือกของมันส่วนเป็นเนื้อในจริงๆของของมนุษย์หรือของชีวิตหนึ่งคือจิตใจครับส่วนร่างกายผิวพันธุ์วัณนณนะอะไรแบนี้นเป็นสิ่งผิวเปลือก เปลือกของกายนี่อันหนึ่งหรือยังผิวหน้าของจิตอีกอันหนึ่งครับผิวหน้าของจิตนั้นเป็นละลอกเยแล้วมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาคือคิดนึกะกําหนดจดจำโน้นจำนี้ที่สมมติว่าเราจะเจรในชีวิตของเรานะคร <c oughs> ไม่ใช่ไปตัดเสื้อผ้าชุดใหม่แพงๆแล้วชีวิตจะดีขึ้น ไอ้นั่นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสมมุติครับเรามีทองเยอะๆเราก็มาห้อยหูห้อยหางกระดูโกดีแต่ถ้าทำมากถึงข น, นาดเธอก็อาจจะดูตลกไปก็ได้ครับ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่แหวนนิ้วทุกนิ้วที่นิ้วเท้านิ้วมือด้วยก็คงดูตลกไปแทนที่จะดูสวย วันี้เครื่องจีรนายจิตใจเรา ค, คือสิ่งเรียกธรรมะนี่เองครับที่พระเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยเราต้องขัดกราวมันเข้าในสุดนก็จะเปิดเผยเนื้อใ น, นที่ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเปรียบปรตเพชรซึ่งธรรมชาติได้บ่ม ม, มนุษย์เรานี่มันเป็นเพชรขอ ง, ของจักรวาลนี่นะครับกราวได้ว่าถ้าไม่มีมนุษย์เกิดขึ้นนะครับ ก็จะไม่ไมีใครรู้จักความคุณงามความดีที่มีอยู่หรือแม้แต่ความสวยงามของธรรมชาติเองนะครับหรือกฎธรรมชาตินั้นเนมนุษย์ก็เกิดมาเพื่อเป็นสักขีพยานของความดีของของสัจธรรมนะครไม่มีมนุษย์แม้สัจธรรมมีอยู่นะฮรคือคือการเปลี่ยนแปลงอันนี้จังทุกขงังอน้าตามก็มีอย่างนั้นนะครับมีความเป็นเช่นนั้นที่ที่ ที่เรามักจะคุ้นเคยกับภาษาความเป็นเช่นนั้นมันเป็นอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่มีมนุษย์เกิดก็ไม่มีผู้ใดโฆษณาสิ่งนี้นะครับแล้แลมนุษย์ที่พปเสิ์ที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นท่านเรียกตัวเองว่าเป็นเชิฐาของโลกนนี่พระเจ้าท่านท่านล้องเรียกตัวเองว่าท่านเป็นเชิดาของโลก คือเป็นพี่ใหญ่ของของของโลกนี้คือท่านเป็นคนแรกที่เห็นมันก่อนหน้านั้นไม่มีใครเห็นนะครับมีแต่คนคิดเอาทั้งนั้นพวกฟาร์มพวกฮินดูที่พระเจ้าท่านเห็นจริงๆครับท่านเลยรองเรียกตัวเองว่าเป็นเราเป็นเชษฐถาของโลกคือเป็นพี่คนโตสุดท่านไม่เรียกตัวเองว่าเราเป็นพ่อหรือเป็นบิดานะฮะท่านนั้นท่านถือ น้องๆของท่านทุกคนจะต้องเห็นตามให้คนเห็นตามวันนี้พอเรารู้สึกตัวมากๆนะครับรู้สึกตัวเข้าไปให้ใกล้ชิดกายเข้าไปเดินทางเะลึกเข้าไปจนชิดหัวใจหรือเรือนใจไอ้นี่เรือนกาย แต่เราต้องมาที่เรือนกายเพราะเพราะเรือนใจมันก็ซ้อนอยู่ในเรือนกายนี่ <c oughs> เพราะเข้าไปในเรือนกายแล้วก็เคลื่อนไหวมากๆมันก็ซึมลึกเข้าไปจนถึงเรือนใจมันเข้าถึงเรือนเรือนของหัวใจนะครับมันก็เริ่มขัดที่ผิวหน้าของใจเหมือนการเจีรไนเพชร <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกตัวที่เข้าไปที่ใจนะครับมันเข้าไปตัดกระแสความคิด ตัดความยึดถือต่างๆในนิมิตต่างๆที่ในห้วงของความคิดม่อขัดสีชวิวันใจตัวเองอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ตราบใดที่เรายังไม่ทอดทิ้งทุระของการปฏิบัติภาวนาชนิดพอเช้าไม่นานมันก็เปิดเผยเนื้อแท้ของใจออกมาเองดังนั้นพระพุทธรูปปางต่างๆนคีค เขามักจะทําม็นเรือนแก้วเรือนที่จริงนั่นคือเรือนใจครับที่เป็นเป็นเป็นเรือนแก้วเข้าใจไหมครับรู้จักคำว่าเรือนแก้วมั้ยพุทธรูปต่างบางทีก็จะทําครอบแก้วไว้หรือหรือไม่ก็เป็นเรือนโพครับที่เป็นเป็นคล้ายๆสิ่งที่ครอบอยู่ทีธีก็ทําเป็นรัศมีอย่างวัตถุชินราชเนี่ยเขาก็ทํามันเรือนแก้วและลงมาอย่างนี้ครับคงนึกออกแล้ว นั่นหมายความว่าเรือนแก้วนั้นเองเรือนแก้วเรือนโพนั่นเองที่ผู้รู้เข้าไปเป็นพักพิงอยู่ซึ่งเรือนแก้วเรือนโพนั้นจะคุ้มกันไม่ให้เกิดทุกข์หรืออันตรายใดๆนะครับดังนั้นเราเห็นเรือนแก้วพุทธรูปนั่งเรือนแก้วเป็นสัญลักษณ์ครับว่าผู้ที่เข้าถึงแล้วซึ่งพระ น, นิพพานพระนิพพานนั้นเป็นที่ที่มุงบังครับ เป็นเพิงพักที่ที่ถาวรสั ญ, ญลักษณ์กันนั้นแต่สั ญ, ญลักษณ์กันนั้นหรือเพิงพักกันนั้นก็อยู่ในเราเราก็ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมันนะคในสุดมนุษย์จะพบตัวเองว่าคุณข้างความเป็นมนุษย์นี่ล้ำเลิศนะเราไม่ได้ด้อยหรือเราไม่ได้เป็นคนซึ่ง สิ่งละไม้สัตว์อีกต่อไปแล้วกับการเป็นผู้ที่มีน้ำใจไหลหลั่งออกมาเรื่อยๆนะฮะน้ำใจไหลหลั่งมาหมายถึงว่าเรามีจิตมีใจเรามีชีวิตจีวาแล้วก็ทา ง, งานทุกสิ่งด้วยน้ำใจมีคบมิตรคบเพื่อน ชีวิตก็จะเอิบออาบไปด้วยสิ่งดีงามหรือผมพูดทุกๆครั้งนะครับเพียงเพื่อนหนุนน้ำใจให้กล้าหารในการปฏิบัติเพราะสิ่งนี้มันมีอยู่ในเราและเป็นสิ่งนี้ทำได้ง่ายและตรงแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องการมันแล้วหรือยังนั่นนะงครับ <c oughs> แต่ว่าคนสมัยพุทธการคนร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงมันทั้งหมดนะครับก็มีข้อความในพระสูตรที่น่าสนใจมากครับว่าบรรดาสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้านั้นผู้ที่เข้าถึงธรรมะมากเนี่ยคือคือประเภทครืหักไม่ใช่พระภิกษุ น, นี่หลักฐานมีผม อ, อ้างได้เลย ข้อนี้หมายความอย่างไรไม่ได้หมายว่าก็สงฆ์ไม่มีโอกาสหรือโอกาสน้อยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคำพูดเข้าถึงกระแสธรรมหมายตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปดังนั้นครือข่ายมีธุระมากมีกิจมากมีการงานต้องบริหารมากต้องรับผิดชอบมากดังนั้นเมื่อปฏิบัตธรรมะแล้วก็เข้าถึงกระแสแล้วก็ลังรออยู่เป็นจํานวนมาก ส่วนพระภิกษุนั้นเนื่องจากเครื่องแบบอมนวยนะครับมีชีวิตที่สะดวกสบายในการปฏิบัติเมื่อตกเครื่องสุกษาแล้วก็ถึงที่สุดได้ง่ายนะเปรียบเหมือนคนข้ามฟากคนที่นั่งในเรือข้ามไปแล้วมีน้อยแต่ที่อออยู่ที่ท่าเรือนั้นมีมากแต่คนที่ยังไม่ไม่คิดจะข้ามนันก็มีเอสาวกที่เป็น สาวกสาวิกาที่เป็นเครหัส่ที่เข้าถึงธรรมนะครับส่วนใหญ่พิชเจ้ร์นจากเป็นนาคามีแล้วก็มีอาชีพปั้นหม้อขายเพราะเป็นอาชีพที่เบียดเบียนน้อยเข า, าปั้นหม้อนี้ในอินเดียนะครับแม้เดี๋ยวนี้ไม่จาเป็นต้องพูดถึงครั้งพุทธกาลเป็นอาชีพที่ทาเงินได้อย่างสะดวกมากเพราะชาวอินเดียเขายึดถือในวันนะ ภาชนะเคลื่องดินถ้วยอะไรนี้เขาจะไม่ใช้แก้วในร้านกาแฟเพราะว่าล้างแล้วเขาก็ยังลังเกียจว่าวันนอื่นใช้ดังนั้นเขาจะปั้นดินคือกินทีเดียวแล้วคว้างทิ้งเลยดังนั้นอาชีพปั้นหม้อปั้นดินขายเนี่ยสะดวกมากๆขุดดินด้วยมือปั้นคนเดียวจำหน่ายได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนนั้น พระอนาคามีส่วนใหญ่ในครั้งพิธุการเนี่ยมักจะมีอาชีพปั้นดินขายปั้นหม้อคือไม่เดือดร้อนเลย <c oughs> เราขยันหมั่นดูจิตดูใจครับ <c oughs> อย่าประมาทเป็นกาดนะครับมีธรรมชาติที่เป็นเป็นอุปสรรคในตัวเราก็คือความ <c oughs> เละเลอะสะเพร่าแล้วก็สบประมาทไปทุกสิ่งทุกอย่างซึ่นประมาทถ้อยคําของพระพุทธเจ้าหรือเหมือนเฉยในสุดเมื่อเราสบประมาทหรือประมาทไปในทุกเรื่องทุก้ย่าง <c oughs> เราก็ลบล้างไอ้ความสลักสําคัญของตัวเองของชีว like ิตของตัวเองไปเมื่อเราสบประมาททุกเรื่องทุกอย่างเราคือเราสบประมาทตัวเรานั่นคือเราดูหมิ่นชีวิตของเราเองในที่สุดผู้ที่ไม่ประมาทนะครับก็คือผู้ที่ตั้งหลักเข้ามาในภายในเสมอ ทำจิตใจให้ได้สมดุลแล้วก็สอบสวนพระพเจ้าทรงตรัสว่าเธอพึงทำให้เหมือนสตรีหรือสาวน้อยผู้ออกจากบ้านก็ย่อมสองหน้าด้วยกระจสมรจูจทุกวันทุกครั้งไม่ให้มีอะไรที่แปดเปื้อนทิ่ใบหน้า เมื่อเห็นสังเกตเห็นก็ออออกตัวนี้นะครับอย่างนี้ชื่อคนไม่ประมาทก็ดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่สัมผัสตัวเองอยู่พอมีอะไรเข้ามาเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จัดการมันซื่อแต่ถ้าคนประมาทม่นเห็นก็เฉยสมมุติเกิดความโลภหรือลิษย า, ข, ายขึ้นม า, มาเห็นเข้ามาเฉยเฉยมัวแต่คิดอะไร ไม่ดีไม่ร้ายกับคนอื่นอยู่ก็เลยประมาทไปเรื่อยๆครับมันเลยกินตัวอาการเช่นนั้นเลยกินตัวกลายเป็นนิสัยที่พอกพูนข้าวก็แกะออกยากครับดังนั้นถ้าเราเห็นมันตั้งแต่น้อยๆคือเช่นอาการพอได้ยินข่าวว่าเพื่อนร่วมรุ่นอะไรเขาได้เดบบได้ดีเนี่ยเริ่มหุนหงิดเนี่ยเริ่มไม่พอใจน้อยๆเราเริรีบจัดการดี น้อยสุดก็ปลอบใจตัวเองได้นี่อย่างน้อยนะครับคือว่าโอ้ชีวิตเขากขาชีวิตเขาชีวิตเราก็ชีวิตเราไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันนี่เรียกว่าอย่างอย่างน้อยแต่ว่าถ้ายังมากคือปฏิบัติอย่างมากและตรงมากกว่า น, นั้นคือทิ้งเลยไม่ต้องมานั่งปลอบใจตัวเองไม่สนใจเลยครับเอาความรู้สึกล้วนๆทุ่นๆของเรา ความหมายของการปฏิบัติธรรมนะฮรในส่วนที่ตัดลัดที่สุดผมไม่คิดเลยว่าจะมีอะไรลัดกว่านี้เพราะว่ามันตรงที่สุดแล้วเมื่อเรามุ่งมาสู่หัวใจเรานะจะไม่มีอะไรที่ลัดสั้นกว่านี้อีกแล้วนั้นพอเรามารู้สึกตัวเข้าไปอย่างนี้นะครับมันตัดเข้าไปทันทีเลยเหมือนกับเขาตัดทางนะครับไม่จะไปตามตามทางเก่าทางที่คนอ้อมไปอ้อมมา ตัดไปตรงๆงนันเองทางที่ลัดสั้นที่สุดนะครับมีอยู่แต่ว่าการเดินของผู้ที่ประมาทอาจจะยาวยืดแม้ทางนั้นจะตรงและสั้นแต่การเดินนั้นวกวนครับดังนั้นเราต้องกาจัดนิสัยที่ที่ลังเลนะวกวนชอบเยินเยอ้อชอบต่อรองกล่าวได้ว่าผู้ใดก็ตามที่ เอาชนะนิสัยที่ลังเลชอบมากเรื่องมากความแล้วในสุดมันง่ายนิดเดียวครับตื่นในเช้าพอตื่นปั๊บเขาจับความรู้สึกตัวแล้วก็ดูใจเข้าไปนานเข้าในการดูนี้นีะครับธรรมชาติที่ดูใจกับใจค่อยๆรวมตัวกันขึ้นรวมตัวกันขึ้นกลายนว่าใจนั่นแหละที่ดูโลกอยู่เมื่อพูดดูใจนั้นพูดสําหรับคนที่กําลังดูใจอยู่ครับ แต่สำหรับผู้ที่เห็นใจเข้าถึงจิตใจแล้วเนี่ยไม่ต้องดูอีกแล้วก็คือใจนั่นแหละที่มันดูโลกอยู่ที่มันตื่นอยู่ที่มันรู้อยู่เปรียบเหมือนนะครับเปรียบเหมือนว่าเราจุดใต้หรือจุดเทียนนะครับเดินไปจะไปหาเทียนอีกแท่งหนึ่งอย่างเทียนบรรษาเขาจุดไว้ในห้องมืด <c oughs> แล้วก็ปิดไม่ให้ให้รูไม่ให้แสงรอดจากช่องไหนมาเลยเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเราก็เดินถือเทียนเที่ยวหาเที่ยวหาพอถึงประตูนั้นอยากจะลองเปิดประตูปั๊บแสงข้างใ น, นก็โผล่ขึ้นมาส่องจ้าขึ้นมามันก็รวมกับแสงที่เราถือแสงที่ถือก็เลยหมดความจําเป็นใช่ไหมครับเราก็เดินเข้าไปรวมกันกับแสง ภายในใจนั่นแหละครับที่เจิดจ้าที่สุดู่จริงจริงเนี่ยจริงกว่าพระที่จริงกว่าพระจานร์เนี่ยแต่เราไม่รู้จักมัอนอมันเหมือนมีห้องปิดตายอย่างนี้แต่เราก็มีสติรู้ไอ้นี่เป็นเทียนดวงนอกครับที่เราถือไว้ในมือแต่พอรอบๆมันมืดถ้าเราไม่ตั้งสติถ้าเราไม่เจริญความอัปปะมาจธรรมขึ้นนะครับคือความไม่มาเนี่ย เราก็จะไม่มีเชื้อเลยไม่มีตัวนำอะไรครับแล้วมันจะไปไม่ถูกดังนั้นจเจริญสติน้อยๆขึ้นครับประคองไอ้ความรู้สึกตัวนี้ให้ดีๆจนกว่าปากประตูใจจะเผยขึ้นมาและแสงภายในมันจะออกมารวมตัวเราก็ไม่ต้องดีกเพราะว่าอันนี้เมื่อเรารู้เราก็เห็นเมื่อเห็นเราก็เป็นใจคือเข้าถึงใจแล้วก็เป็นอันวา มีชีวิตอยู่ทางหัวใจเดินยืนนอนนั่งนี่ด้วยกำลังทางหัวใจมีชีวิตอยู่ด้วยกำลังด้วยแสงสว่างจากจากใจทั้งนั้นวันนี้เราลอง <c oughs> หันหน้าออกไปข้างนอกลงทําทุกคนคร เพื่อจะนั่งดูเฉยๆดูดูแสงสว่างขึ้มนมาศาสตรเข้ามาจบความรู้สึกตัวน้อย เสียงถึงสัตว์ผสมเนียงต่างๆของรุ่งเช้าดูแต่อย่าจ้องครับจากสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าทอดสายตาไกลๆพร้อมๆกับจับความรู้สึกตัวน้อยๆครับอย่าให้เกิดพวกวงถึงความที่จะต้อง รู้สึกตัวและอย่าให้พระวักวงถึงการที่จะต้องดูอะไรบางสิ่งภายนอกหรือจะต้องดูอะไรบางสิ่งภายในภายนอกภายในนั้นเสมอกันครับเชื่อมประสานกันอยู่เรื่องของใจดวงเดียวนั้ น, นไม่มากเรื่องเลยภาพข้างหน้าสะท้อนในที่ใจถ้าไม่มีใจเราจะไม่ได้ยินเสียงจะไม่เห็นภาพ